หนูพูดกับพระกับเจ้าควรพูดให้สุภาพหน่อยลุงรู้ว่าหนูหงุดหงิดเพราะว่าความเจ็บปวดถึงลุงเองก็เป็นอย่างหนูมาก่อนแต่ลุงก็พยายามสงบสติอารมณ์ที่หลวงพ่อท่านพูดมาก็จริงของท่านนะนี่ขนาดลุงเป็นมาห้าปี ผ่าตัดมาสองครั้งก็ยังไม่หายลุงก็หวังจะมาตายอยู่ใกล้หลวงพ่อเพิ่งมาได้วันเดียวยังรู้สึกว่าอาการดีขึ้นหนูจะต้องหายแน่เชื่อลุงเถอะก็พูดกับท่านให้สุภาพหน่อยชีวิตของหนูอยู่ในกำมือของท่านก็ว่าได้เขาเตือนด้วยความหวังดีเพราะคิดว่าหล่อนก็เหมือนลูกหลานคนหนึ่งของเขาลุงก็อยู่ส่วนลุงสิมายุ่งอะไรกับฉันละ่ะฉันจะพูดยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นนักประกาลใคร รอมถือโอกาสเล่นงานอาจารย์ชิดเพราะโกรธท่านพระครูขุนทองเอ็งไปดูที่ครัวซิสมชายคั่วยาเสร็จหรือยังไปเดี๋ยวนี้เลยท่านเจ้าของกุฏิออกคําสั่งคิดไม่ทันคาดไม่ถึงว่าหลานชายจะร้ายกาจถึงป่านนี้แม่ขุนทองขยับปากจะพูดแต่ท่านรีบห้ามไว้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นรีบไปทําตามที่ข้าสั่งนุมวัยยี่สบเอ็ดจึงเดินตุบัดตุบองออกไป ค่าต้องขอโทษเองด้วยนะส้มปล่อยที่คนของข้าแสดงกริยาไม่ดีกับเองอย่าถือสามันเลยมันเป็นเด็กที่มีปัญหาท่านขอโทษแทนหลานเด็กเด็กอะไรกันโตอย่างกับวัว ก, กับควายหลวงพ่ออบรมมันยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้นางสาวส้มปล่อยถือโอกาสตำหนิติเตียนทั้งนายขุนทองและท่านพระครูแต่กลับปลืมตำหนิตัวเองข้าก็อบรมมันอย่างดีนี่แหละแต่ว่าเพราะมันไม่เชื่อฟัง มันถึงได้เป็นอย่างนี้เองก็เหมือนกันถ้าเชื่อฟังข้าก็จะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นีนหลอกท่านก็ถือโอกาสเล่นงานรอนบ้างคราวนี้หญิงสาวเถียงไม่ออกจะอววาดวัดป่ามะม่วงจึงพูดต่ออีกว่าที่ข้าพูดมาแล้วนั่นละกำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นข้าไม่ได้มีเจตนาจะประจานเองแต่ที่ต้องพูดเพราะมันเกี่ยวกับการรักษาโรคที่เองเป็นอยู่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า ทุกจะดับได้ก็ต้องรู้จักเหตุของทุกข์ฉะนั้นเองจำเป็นจะต้องรู้สาเหตุของทุกที่เองได้รับอยู่ในขณะนี้จะได้ไม่ไปโทษว่าโชคชะตาเล่นตลกกับเองคนสมัยนี้ชอบโยนความผิดไปให้โชคชะตาหารู้ไม่ว่าตัวเองนั่นแหละลิขิตตัวเองเอาละ่ะทีนี้ข้าจะเล่า ว, ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเองตามที่คนมาเล่าให้ข้าฟังเองฟังก่อนแล้วถ้าไม่จริงค่อยแย้งทีหลัง เข้าใจหรือเปล่าระหว่างที่ข้าพูดขอให้ฟังอย่างเดียวท่านวางเงื่อนไขเข้าใจจ่าหนิหมลหลวงพ่อพูดเถิดจะ๊ะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวหล่อนเองนางสาวส้มปล่อยจึงอารมณ์ดีขึ้นท่านพระครูก็เล่า ว, ว่าพ่อเองหายไปก่อนใช่ไหมบอกว่าจะไปหางานทําจังหวัดลําปางแล้วก็หายเงียบไปไม่ส่งข่าวคราวมาทางบ้านรุ่งอีกปีหนึ่ง แม่กับพี่ชายเองบอกว่าจะไปตามหาพ่อเองแล้วก็หายเงียบไปอีกแล้วเมื่อสองปีที่แล้วพี่สาวกับน้องชายเองก็ทิ้งเองไว้คนเดียวแล้วก็พากันไปตามหาแม่กับพ่อของเองพ่อเองอยู่คนเดียวก็คิดมากเมื่อคิดมากก็เครียดมากเครียดหนักๆเข้ามะเรงก็เลยเล่นงานเองนี่แหละผลกรรมที่เองก่อไว้กับลูกหมาไปพรากลูกพรากแม่มันแล้วก็ทาให้มันตายอย่างทรมาน กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เองเอามันมาทิ้งจำได้หรือเปล่าว่ากี่ครั้งจำไม่ได้จ้าหลวงพ่อรู้แต่ว่าอีด่างอีเขียวออกลูกเทไรแม่ก็ให้ฉันเป็นคนเอามาทิ้งทุกทีฉันก็ไม่นึกว่าเวงกรรมมันจะเล่นงานฉันถึงปานนี้นี่ถ้าเชื่อหลวงพ่อเะตั้งแต่ตอนนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมจ้าหล่อนเพิ่งจะสํานึกผิดเอาเถอะเอาเถอะไหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อเองก่อกรรมก็ต้องรับผลของมัน ไม่มีใครมารับแทนเองได้รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องอดทนคิดซะว่าใช้เวรที่ทำใช้กรรมที่ก่อใช้ให้หมดเมื่อไหร่เองก็จะหายนิโยมเขาก็มาใช้เวรใช้กรรมแบบเดียวกับเองนั่นแหละท่านหมายถึงอาจารย์ชิตลุงทำกรรมอะไรไว้หระอจ๊ะหล่อนหันไปพูดดีกับบุรุษสูงไวเป็นการขอรุกแก้โทษลุงยังนึกไม่ออกเลยหนูหลวงพ่อท่านไม่ยอมบอกลุงเหมือนอย่างที่บอกหนู บุรุษใบหกสิบศอบเขาเองก็อยากรู้ว่าทำกรรมอะไรไว้ในกรณีของโยมอาตมายังไม่บอกต้องให้รู้เองถึงจะซึ้งใจเอาเธอภายในเจ็ดวันนี้ถ้าโยมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คงจะนึกได้แจ่าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดให้กำลังใจหากไม่บอกในสิ่งที่เขาอยากรู้เอาละประเดี๋ยวเองไปพักที่สำนักชีก่อนเย็นๆค่อยมาขึ้นกรรมฐานต้องมารักษาอยู่ที่วัดนี้นะ ไม่ต้องไปอยู่บ้านให้ชีเขาช่วยดูแลถ้าไปอยู่บ้านคนเดียวจะฟุ้งซ่านอีกดีไม่ดีจะกลายเป็นคนวิกลจริตไปมาเช้าเย็นกลับไม่ได้เหรอเจ้าหลวงพ่อฉันห่วงบ้านหล่อนต่อรองไม่ต้องไปห่วงหลอกของนอกกายให้ห่วงตัวเองก่อนทิ้งไว้นั่นแหละใครเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปนึกว่าใช่นี่แต่เชื่อข้าสักอย่างนะ ถ้าเองไม่เคยไปลักขโมยของใครเข้าไว้รับรองว่าไม่มีใครมาลักของเองถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับไปเอาเสื้อผ้าและเก็บข้าวของใส่ในเรือนไม้ก่อนได้ไหมจ๊ะเย็นๆค่อยมาหล่อนขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันจะไปก็ได้หล่อนกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งยกมือไหว้อาจารย์ชิดหนึ่งครั้งจากนั้นจึงเดินมุ่งหน้าไปยังท่าน้ําครั้นหางรัชมีกุฏิออกไป ความเจ็บปวดกลับทวีความรุนแรงขึ้นจึงรีบเดินย้อนกลับมารายงานว่าโอ้ยหลวงพ่อจ้าปวดเหลือเกินเมื่อตะกี้นี่รู้สึกค่อยยังชั่วพอลุกออกไปกลับปวดเหมือนเดิมอีกหลวงพ่อช่วยฉันด้วยหล่อนอ้อนวอนแม้นีได้ร้องไห้นั่นแหละเอ็งกำลังใช้กรรมละ่ะยิ่งถ้าเอ็งปฏิบัติกรรมฐานจะยิ่งปวดมากกว่านี้หน้าที่ของเอ็งก็คือต้องทนให้ได้ แค่นี้ก็แย่อยู่แล้วถ้าปวดมากกว่านี้ฉันขอตายดีกว่าตามใจถ้าเองจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอบอกเสียก่อนว่าถึงเองตายก็ใช่ว่าเองจะพ้นทุกข์อาจจะทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่เป็นด้วยซ้ำจะทุกข์ยังไงละหลวงพ่อตายแล้วก็แล้วหมดเวรหมดกรรมกันไปหญิงสาวพูดด้วยมิจฉาทิฏฐิถ้ามันเป็นอย่างที่เองว่ามา ก, ก็ดีนะสิแต่ที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนเรา ไม่ได้เกิดหนเดียวตายหนเดียวอย่างที่พวกวัตถุนิยมเขาเชื่อกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆรยายเซิงก็คงไม่มาสร้างกุฏิกรรมฐานไว้วัดนี้เองเห็นหรือเปล่ากุฏิกรรมฐานที่หน้าโบสถ์นั่นนะ่ะยายเอิงมาสร้างให้เป็นหลังแรกด้วยเงินหนึ่งช่งางโยมาบาลเขาสั่งมาว่าถ้าไม่อยากมาเกิดในนรกอีกก็ให้กลับมาสร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลังให้สร้างด้วยเงินหนึ่งช่าง จะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วแกก็มาสร้างหมดเงินไปแปสิบบาทพอดีอาจารย์ชิดกำลังนั่งกำหนดพองยุกก็มีอันต้องเลือมตาอีกครั้งกื่ อ, อยากรู้เรื่องเขาถามท่านเจ้าของกุฏิว่าสร้างนานหรือยังครับก็17เจปีเขานี่แล้วแกมาเมื่อปี 2,500 โอยยมเชื่อไหมแกบอกโยมมาทูตสั่งมาว่าให้สร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลัง ด้วยเงินหนึ่งช่างและให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันอัตมาคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างง่ายก็พอดีตอนแก่มาเล่าช่างไม้เขาอยู่เพราะว่ากําลังซ่อมโบสถ์หลังเก่าและก็มีเรือนหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเขารื้อมาถวายวัดพอพวกชาวบ้านรู้เรื่องของนางเซียงก็เฮโลกันมาช่วยคนละมือคนละไม้ก็เลยเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกแล้วก็หมดเงินไปหนึ่งช่างพอดิบพอดี เป็นเรื่องอัศจรรย์มากอาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังหลายครั้งแล้วกรุณ า, าเล่าอีกสักครั้งได้ไหมครับผมอยากทราบว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและมีโอกาสผมจะนําไปเล่าให้ลูกหลานญาติมิตรฟังเพื่อเป็นข้อเตือนใจไม่ให้เขาทาความชั่วแหมโยมอ้างเหตุผลมาน่าฟังอาตมาเห็นจะต้องเล่าอิกรอบหนึ่งซะแล้วเองล่ะอยากฟังหรือเปล่าท่านถามนางสาวส้มปล่อย อยากจ่าหนิมนหลงพ่อเล่าแต่จักหญิงสาวตอบรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุลาลงเมื่ออยู่ใกล้ท่านเห็นคนทั้งสองอยากฟังท่านพระครูจึงเล่า ว, ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปีสองพันห้าร้อยเล่าย่อๆนะเรื่องมันยาวถ้าเล่าละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบท่านทําความตกลงกับคนฟังแล้วก็เริ่มต้นเล่า ว, ว่าวันนั้นเป็นวันพระญาติโยมก็พากันมาทําบุญที่ศาลาการปะเรียน อาตมาก็มองไปเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งมากับผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอายุไล่เลี่ย ก, กับแกส่วนอีกคนเป็นสาวรุ่นรุ่นอาตมาก็คิดว่าตากับยายพาหลานมาทำบุญเขาก็พากันเข้ามาหาอาตมาลุงแก่ๆคนนั้นก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อในปุนมาจากอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ผู้หญิงสองคนที่มาด้วยเป็นเมียแกอายุเจ็ดสิบสองปีเป็นเมียคนที่สอง จนเมียคนแรกอายุสิบห้าปีตัวแก่อายุเจ็ดสิบห้าปีพวกญาติโยมได้ยินก็พากันหัวเราะนึกว่าแก่เป็นโรคประสาทหรือไม่ก็แก่จนหลงอาตมาเองก็คิดอย่างนั้นแก่ก็ยืนยันว่าเรื่องที่แก่เล่ามานั้นเป็นความจรงิงผู้หญิงคนที่เป็นเมียคนแรกนั้นตายไปแล้วแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กสาวอายุสิบห้าคนนี้และแกก็ให้เมียคนแรกเล่าให้ฟัง แม่หนูคนนั้นก็เล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วแกเป็นเมียตะปุ่นแล้วก็คลอดลูกตายที่โรงนาไปตกนรกมาหลายปีช่วงเวลาอยู่ในนรกนั้นตาปุ่นสามีแกได้บวชแล ะ, จะเจริญกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลไปให้โยมาบาลก็เลยให้กลับมารับใช้ตะปุ่นแล้วก็ให้สร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลังด้วยเงินหนึ่งจ้างแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งวันนอกจากนี้ก็ยังให้ถือศีลแปดทุกวันพระอีกด้วย แกเล่าหรือเปล่าครับว่าเหตุใดต้องไปตกนรกอาจารย์ชิดถามเล่าซี่แกเล่าว่าตอนมีชีวิตอยู่แกก่อกรรมทําชั่วไว้มากไปอยู่โรงนาก็ให้ลูกจ้างไปเที่ยวขโมยข้าวในลานของคนอื่นนอกจากนี้ยังขโมยทองของญาติะปุนและก็โยนความผิดไปให้หลานชายทําให้หลานชายถูกตีจนหัวแตกแกเป็นคนโหดร้ายใจดํำอำมหิทและก็ไม่เคยทําบุญทําทานเลย สวดมนต์ก็ไม่เคยสวดโยโซภควาก็ว่าไม่เป็นพอแกตายไปก็เลยตกนรกอยู่หลายปีเมื่อได้รับส่วนกุศลที่ตปุ่นส่งไปให้ก็เลยได้รับอนุญาตให้กลับมาแก้ตัวแกบอกว่าในเมืองนรกนั้นมีการสอนกรรมฐานทุกวันพระสอนให้สวดมนต์ด้วยตอนเป็นนางเอิยงแกสวดมนต์ไม่ได้เลยแต่พอมาเกิดใหม่สวดได้หมดเพราะว่าเคยสวดเมื่ออยู่เมืองนรก อาตามาลองให้สวดโอโหสวดได้แจ๋วไปเลยพวกญาติโยมก็พากันประหลาดใจว่าในเมืองนรกมีการลงโทษต่างๆงานานาแต่จะหยุดลงโทษในวันโกนวันพระเพื่อให้พวกสัตว์นรกได้สวดมนต์เจริญกรรมฐานและที่สำคัญคือพระก็ไปตกนรกด้วยอาตามาก็ถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นพระแม่หนูที่เป็นยายสอิ้งกลับชาติมาเกิดก็ตอบว่า คนที่เป็นพระจะมีผ้าเหลืองผูกอยู่ที่ข้อมือโยมเห็นหรือยังว่าแม้แต่พระก็ยังไปตกนรกได้นี่ไม่ได้ว่าพระนะท่านรีบออกตัวผมว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พระหรอกครับเป็นเพียงพวกอาศัยผ้าเหลืองหากินเท่านั้นอาจารย์ชิดวิจารณ์ถูกของโยมอาตมาเห็นด้วยเพราะคนที่เป็นพระจริงๆนั้นเขาจะไม่ไปตกนรก และที่อาตมาเชื่อที่แมโน น, นั้นเล่าก็เพราะว่ารู้มาก่อนจากตาเหลงห้วยรายนี้หนีจากนรกมาเข้าเ ย, ยาเผาเพื่อจะขอส่วนบุญจากหลานสาวนั้นหลวงพ่อเล่าเรื่องตาเหลงห้วยด้วยนะจ๊ะนางสาวส้มปล่อยพูดขึ้นรู้สึกเพลินเมื่อฟังท่านเล่าเอาไว้วันหลังคืนเล่าหมดวันนี้ประเดี๋ยววันหลังไม่มีอะไรจะเล่าหลวงพ่อยังเล่าเรื่องยายเสี่ยงไม่จบเลยครับอาจารย์ชิดทวง อ้าวยังไม่จบอีกรึงั้นจะเล่าต่อคือที่อาตมาเชื่อว่ายายสอิงจะพูดความจริงก็เพราะว่าตรงกับที่ตาแหลงห้วยเล่าให้อาตมาฟังทุกอย่างและอาตมาก็ลองทดสอบด้วยการถามว่านารกของศาสนาพุทธเหมือนกับศาสนาอื่นหรือเปล่าเป็นคนละนรกหรือว่าเป็นนรกเดียวกันยายเซิงก็ตอบตรงกับตาแหลงห้วยอีกว่าไม่มีการแบ่งศาสนา ไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไรถ้าทำชั่วก็ไปตกนรกเดียวกันหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากทีเดียวหรือโยมเห็นว่าเป็นยังไงท่านถามบุรุษวัยหกสิบครับผมเห็นด้วยครับอาจารย์ชิดคร้อยตามนั่นต้องอย่างนั้นคืนไม่เห็นด้วยอาตมาก็เลิกเล่าท่านถือโอกาสเล่นตัวฉันก็เห็นด้วยจ่ะนางสาวส้มปล่อยรีบบอกกลัวว่าท่านจะไม่เล่า อเอ็งก็เห็นด้วยเหมือนกันหรือส้มปล่อยท่านถามยิ้มยิ้มและจึงเล่าต่อไปว่าแม่หนูที่เป็นยายะอิ่งกลับชาติมาเกิดแกก็เล่าให้อัตมาฟังพวกญาติโยมก็ปลอยได้ฟังไปด้วยอัตมาก็บอกญาติโยมว่าเรื่องเทพ ม, มนูเล่านี้ต้องเป็นความจริงเพราะเหมือนกับที่ตาเหลงห้วยเล่าให้อัตมาฟังทุกประการนอกจากนั้นตะปุ่นผู้เป็นสามียังเล่าอีกว่าทีแรกแกไม่เชื่อ แต่นางเซียงก็เล่าให้แก่ฟังทุกอย่างตั้งแต่แต่งงานกันมาว่าค่าสินสอดทองมั่นกี่บาทมีลูกกี่คนมีลูกจ้างกี่คนชื่ออะไรบ้างตาปุ่นก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่าแม่หนูคนนี้จะมาหลอกเอาสมบัติเพราะว่าแกรวยมากนางเอียงหรือแม่หนูอายุสิบห้าก็เลยบอกว่าก่อนตายแกได้ฝังสายสร้อยหนะักเส้นละแปดบาทไว้ที่โรงนาสองเส้นจะพาไปขุด ตาปุ่นก็เลยพาลูกชายสองคนที่เป็นลูกนางเซิงไปด้วยเอาจอบไปด้วยขุดไปขุดมาปรากฏว่าพบทองจริงๆตาปุ่นก็เลยเชื่อลูกชายสองคนซึ่งอายุเกือบจะห้าสิบแล้วก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงอายุสิบห้าที่เป็นนางเซิงแม่ของตนที่กลับชาติมาเกิดจริงๆนางเอิยงเล่าอีกว่าโยามาบาลให้มารับใช้ตะปุ่นห้าปี พออายุยี่สิบก็จะไปแต่ไม่ได้ไปนรกแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึพวกชาวบ้านที่ฟังอยู่ก็รับอาสาจะช่วยสร้างกุฏิวันนั้นอาตมาก็ให้ตะปุ่นกับเมียเก่าและก็เมียใหม่ของแกนอนที่สลาการปเปลี่ยนพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันมาสร้างกุฏิกรรมาฐานตกเย็นสร้างเสร็จพอดีหมดเงินไปแปดสิบบาทตามที่โยมาบาลสั่งมามันก็น่าแปลก ก็เป็นคนชอบพิสูจน์พอครบห้าปีอาตมาก็เดินทางไปยังบ้านตะปุ่นไปลําบากมากเพราะสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่เจเริญเหมือนเดี๋ยวนี้อาตมาต้องเดินเท้าไปวันเต็มๆจากจังหวัดไปบ้านแกพอไปถึงแม่หนูคนนั้นก็อานามาถวายแล้วก็ก้มลงกราบอาตมาก้มกราบแล้วก็ฟุบอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าไปแล้วไปวันที่อาตมาไปพิสูจน์พอดีเมีมยใหม่ตะปุ่น ซึ่งตอนอาตมาไปอายุเจ็สิบเจ็ดแล้วเล่าให้อาตมาฟังว่าพอสร้างกุฏิแล้วแม่หนูคนนั้นก็ตามมาอยู่กับตะปุ่นซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ป่วยเป็นอัมาพาตลุกไปไหนมาไหนไม่ได้แม่หนูนี่ก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจระปัสวะให้โดยแม่รังเกียจก็ปฏิบัติอยู่ห้าปีเต็มดังที่รับปากยมาบาลมาตะปุนก็นอนพงาพงาพูดไม่ได้ อาตมาถามว่าจำอาตมาได้ไหมแกก็พยักหน้าอาตมาก็ปลอบใจว่าไม่ต้องเสียใจนะแม่สไอ้งเข้าไปดีแกก็เข้าใจแล้วก็ทําใจได้เพราะว่าเคยบวชและปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วตกลงยายสไอ้งก็ตายก่อนตะปุนทั้งสองชาติก็คือชาติที่เป็นนางสไอ้งแล้วก็ชาติที่เป็นแม่หนูอายุสิบห้าเอาละ่ะจบเรื่องนางสไอ้งแล้ว ได้เวลาพอเพนพอดียมรับประทานข้าวซิก่อนอาหารในสำรับนั่นแหละส่วนเองเดินไปกินที่โรงครัวก็แล้วกันท่านบอกนางสาวส้มปล่อยไม่เป็นไรจ้ะฉันกลับไปกินข้าวบ้านได้หล่อนว่านั้นก็ตามใจเองนางสาวส้มป่อยจึงกราบสามครั้งก่อนลุกออกไปอดครวนว่าปวดอีกแล้วพอรู้ว่าจะไปมันก็เริ่มปวดเลยเชียวทาไมมันถึงต้องปวดด้วยล่จะจะหลวงพ่อ จะไม่ให้ปวดได้ยังไงล่ะที่ข้าเห็นน่ะข้าเห็นหนอนตัวใหญ่เท่านิ้วก้อยกําลังพากันดูดกินเลือดน้องของเองอย่างอริสอร่อยอยู่นั่นน่ะท่านตอบเพราะเห็นด้วยเห็นหนอมันเข้าไปได้ยังไงละจ๊ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เห็นตอนที่มันเข้านี่แหละเขาเรียกว่าโรคเวรโรค ก, กรรมบางคนถูกนอนกินตั้งแต่ยังไม่ทันตายบางคนตายปุ๊บก็ถูกหนอนกินปับ๊บ ใครเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนบาปอันนี้ข้าวิจัยมาแล้วไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ประการใดเอาเถอะในเมื่อปวดเองก็ท่องไว้ในใจว่าปวดหนอปวดหนอก็แล้วกันท่านแนะนำท่องแล้วหายปวดหรือจ๊ะไม่หายหรอกแต่ถ้าเองท่องมากๆจนเพลินก็ทําให้ลืมความปวดได้ชัว่วคราวก็ยังดีใช่ไหมนี่แหละเองกาลังใช้กรรมละ ต้องทนให้มากๆเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วจ้ะถ้า ง, งั้นฉันไปก่อนละเดี๋ยวจะมาใหม่พูดจบก็ลุกออกมาแล้วก็เดินท่องปวดนอปวดนอไปตลอดทาง พระโบเฮียวนั่งคุยอยู่กับท่านพระครูนายจ่อยให้ดีใจยิ่งนักกราบท่านสามครั้งชายหนุ่มจึงว่าผมคิดถึงหลวงพี่แล้วเกินนี่ก็ว่าเสร็จธุระแล้วจะแวะไปกราบเยี่ยมดีใจจริงๆที่ได้พบโยมจ่อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่โยมจุกละสบายดีหรือหายไปหลายเดือนเลยนะพระหนุ่มทักทายสองสามีภรรยาลวงพี่ดูอ้วนขึ้นนะจ๊ะจวนสําเร็จหรื อ, อยังจ๊า สำเร็จอะไรเลยโยมสำเร็จมรรคผลน่ะจ่ะหลวงพี่จนสำเร็จหรือยังยังหลอกโยมยังอีกไกลเจ้าแล้นี่ก็ถูกหลวงพ่อท่านตำหนิว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าท่านชิงบอกซสก่อนก็ยังดีกว่าให้ท่านพระครูปเป็นผู้บอกเพราะว่าจะทําให้ท่านต้องเสียหน้ามากกว่านี้เธอจะน้อยอกน้อยใจไปใหญ่นะบัวเียวฉันติเพื่อก่อตังหะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนบ้ายอถ้าฉันชมเธอ เธอจะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วก็เลยไม่ขวนขวายทำความเพียรจริงไหมละ่ะท่านเจ้าของกุฏิชี้แจงพระบัวเหวรู้สึกใจเชิ่นขึ้นเป็นกองจึงถูกโอกาสยั่วพระอุปชาว่าผมพ้องรู้เดี๋ยวนี้เองว่าที่หลวงพ่อติผมเป็นเพียงอุบายเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าหลวงพ่อเป็นบุคคลผู้มากด้วยอุบายเธ อ, อจะว่าฉันมาก เ, เพทุบายใช่ไมละ่ะ ท่านเจ้าของกุฏิรู้เท่าทันหาไม่ได้ครับผมจะบังอาจว่าพระอุปชาอย่างนั้นได้ยังไงหลวงพ่อเห็นผมเป็นคนเนรคุณไปแล้วหรือครับพระบุญเยียวได้ชื่อว่าเนรคุณพระอุปชายาจางหรือครับนี่หลวงลุงกะหลวงพี่เนี่ยจะโต้ขรมกันอีกนานไหมถ้านานผมจะได้ขออนุญาตหลับปรอในจ่อย ขัดขึ้นเมื่เห็นว่าพิกษุสองรูปต่างก็มีคุณสมบัติช่างเจนระจาไม่ย่อหย่อนกว่ากันพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนหรือไงเองนี่ไม่ไหวเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าคนขี้เกียจใช่ไหมจุกท่านพระครูหันมาเล่นงานลูกชายของพี่สาวพี่จ่อยเขาไม่ขี้เกียจหรอกจ้าหลงน้าเขาขยันทำมาหากินใครๆก็ออกปากชมกันทั้งนั้นนางจุกแก้ต่างให้สามี แสดงว่ามันเพิ่งขยันตอนมีเมียสมัยอยู่กับข้ามันขี้เกียจยังกะอะไรดีท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมแพ้เห็นหลานสะไายเ ข, ข้าข้างท่านจึงถือโอกาสเล่าเรื่องในอดีตที่พลาดพิงไปถึงหล่อนว่าคิดถึงตอนนั้นแล้วข้ายัางนึกขำไม่หายสองคนน้าหลานเทเข้าวทิ้งน้ําทุกวันเพ ร, ราะรังเกียจขี้โมกเองเองทําให้ข้าต้องผิดวินัยข้อไม่เคารพ บ, บิณฑบาตโท่หลงนะ้า เรื่องมันก็ผ่านไปตั้งสิบปีแล้วยังขุดขึ้นมาเล่าอีกนั่งจุกจักโมโหกโกรธาพระโบเยวได้โอกาสแก้แค้นจึงว่านั่นสโยมหลวงพ่อเพิ่งสอนอาตมาอยู่หยกๆยกว่าไม่ให้พวงถึงอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นยังไม่ทันไรหลวงพ่อลืมซะแล้วโอโหสนุกกันใหญ่ช่วยกันตะลุมบอลฉันอยู่คนเดียววันนี้วันอะไรนะ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 ในจอยโวยวายว่าตายหลวงนาคค้อนเป็นด้วยนี่เพราะอยู่ใกล้ขุนทองใช่ไหมครับม่สมชายรีบสนับสนุนว่านั่นสิครับพี่จอยหลวงพ่อพูดเสมอๆว่าในขุนทองมาอยู่วัดรับใช้ใกล้ชิดท่านจะได้หายเป็นกระเทยไปไปมามาหลวงพ่อกลับจะเอาเยี่ยนอย่างเจ้าขุนทองใช่แล้วอะไรอะไรใครเอาเยี่ยนอย่างใคร นายขุนทองเข้ามาได้ยินพอดีเขาเลือกนั่งตรงหัวบันไดด้วยไม่มีที่จะนั่งเพราะความคับแคบของห้องดีจริงๆมากันพร้อมหน้าพร้อมตาดีจริงๆเอาเลยพากันเล่นงานข้าเยให้สมแ้นท่านพระครูประชดหลวงลุงกำลังถูกเล่นงานเหรอฮะแน่ละสิเองจะช่วยข้าหรือเปล่าละ่ะท่านหาพวกช่วยซีไม่ช่วยหลวงลุงแล้วหนูจะช่วยใครละ่ะหลานชายว่า รันเงียบมองไปที่ถุงกระดาษสีน้ําตาลซึ่งวางอยู่บนตักนางจุกจึงพูดใหม่หนูอยู่ฝ่ายที่จุกดีกว่าเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันพี่จุกอยู่ฝ่ายไหนหนูก็อยู่ฝ่ายนั้นอ้าวไงเปลี่ยนใจเร็วนักละ่ะว่าแต่ว่าที่ขึ้นมามีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าท่านพระครูถามไม่มีหรอกฮะหนูนั่งนั่งนอนๆออยู่ในห้องรู้สึกเซ็งเลยลองขึ้นมาฟังดูซิว่าคุยเรื่องอะไรกัน และที่สำคัญคืออยากจะรู้ว่าพี่จุกอะทำยังไงถึงถูกรางวัลที่หนึ่งยมจุกถูกรางวัลที่หนึ่งหรือพระโบยเยวถามจ่าหลงพี่เรื่องมันประหลาดมากฉันว่าจะมาเล่าให้หลวงนาฟังนังจุกตอบท่านพระครูจึงว่านั้นก็เล่าได้เลยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแลน้วนี่หรือว่าจะไปตามโยมเขามาฟังอีกคนท่านหมายถึงอาจารย์จิตอย่าเลยเจ้หลวงนา ตัวแกเหม็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกลิ่นหนูตายฉันคงทนไม่ได้ยิ่งห้องแคบๆอย่างเนี้ยฉันคงเป็นลมเชก่อนที่จะเล่าจบภรรยาในจ่อยว่าลุงลุงค่อยเล่าให้เขาฟังทีหลังก็ได้นี่ฮะขุนทองตัดสินเขาเองแม้จะชินกับกลิ่นนั้นแต่หากเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงตกลงเมื่อจะเอาอย่างนั้นก็ตกลงเอาละเองเล่าไปได้เลยจุกเรื่องมันประหลาดใจหลวงนะนางจุกอ ร, รัมพบด นี่เองพูดอย่างนี้สามครั้งแล้วนะท่านพระครูขัดขึ้นโทษหลวงนาะก็มันประหลาดจริงๆนี่นาะหล่อนเถียงงั้นเล่าไปเลยเล่าไปซชก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเรื่องอะไรหลวงนะก็เปลี่ยนใจไม่ฟังเองเล่ายัางไงละ่ะท่านเล่นตัวงั้นก็เปลี่ยนใจไม่เล่าหล่อนถือโอกาสเล่นตัวบ้างในขุนทองต้องขยันขยอว่าเล่าเธอห้าพิจูกหนูอยากฟังใครไม่อยากฟังก็มืออุดหูไว เขประชดผู้เป็นลุงอาสมาขอฟังได้คนพระโบเฮียวเว้าวซื่ อ, อผมด้วยครับนายสมชายพูดบ้างข้าในฐานะเจ้าของห้องถึงไม่อยากฟังก็ต้องฟังท่านเจ้าของกุฏิพูดเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งั้งนั้นเราลงไปเล่าข้างล่างดีไหมในจ่อยชวนอย่าเลยฉันเหม็นลุงคนนั้นคนเป็นเมียว่าพวกเองเป็นอะไรไปกันแล้วนี่ พูดจาลื้อเลือนล่ามป้ามกันอยู่ได้เอาละเอาละจะเล่าก็เล่าไปอย่ามัวโ อ, โอเอท่านพระครูตัดบทอย่างรำคาญน่นงจุกจินตั้งต้นเล่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองขณะที่ฉันนั่งเย็บเสื้อโหลอยู่ในร้านของฉันอยู่ตรงข้ามกับร้านขายกาแฟฉันได้เห็นตัวเงินตัวทองคลานมาที่หน้าร้านกาแฟเป็นยังไงตัวเงินตัวทองที่ว่าน่ะนายสมชายถามนายจอยจึงอธิบายแทนคนเป็นเมียว่า ตัวคล้ายๆกิงกาแต่ใหญ่กว่าหลายสิบเท่าดูผ่อนๆคล้ายกับน้องๆจระเข้จะเรียกว่ากิงกาหรือว่าน้องจระเข้ก็ได้อ๋อตัวเฮียในขุนทองพร่งออกมานังจุบจึงว่าถูกแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายชันสอนไว้ว่าให้เรียกว่าตัวเงินตัวทองทีนี้เขาขายกาแฟนั่นก็ไล่ใหญ่ตาผัวก็ไล่เมียก็ไล่เสียงดัง ไปไอตัวเฮียไปให้พ้นตัวเงินตัวทองเขาก็ไม่ไปแล้วก็ครานเข้าม่ในร้านเสียงเมียร้องว่าตายแล้วสวยตายเลยกูตัวเฮียเข้ามาในร้านส่วนผัวก็เอาน้ําร้อนในหม้อที่ใช้สําหรับชงกาแฟขายลาดลงบนตัวเขาเขาคงร้อนก็เลยวิ่งหนีมาเข้าร้านฉัน กลัวก็กลัวเขามาจะเงยออยู่ต่อหน้าฉันฉันก็ปลดใส่สร้อยทองหนักสองสลึงโยนใส่เขาปากก็ว่าเงินไหลนองทองไหลมาพร่ำอยู่อย่างนี้ยกมือไหว้เขาด้วยเขาก็ยังไม่ไปฉันก็มีเงินอยู่ห้าบาทเป็นแบงค์สใบเหรียญห้าสิบสตางค์สองเหรียญฉันก็โยนใส่ให้เขาพร้อมกับพูดว่าเงินไหลนองทองไหลมาเขาก็พองกบหัวแล้วก็แลบลิ้นออกมาตะกรู่ก็กลานไปที่หลังร้าน ฉันก็มองตามก่อนออกไปเขายังเอี้ยวตัวมาดูฉันแบลบเล่นแป ล, บ แ, ปลบแลแลบแล้วก็ไปสักพักนึงก็มียายซิมเอาลอตเตอรี่มาขายให้แกบอกเหลือใบเดียวช่วยซื้อแกัหน่อยฉันก็บอกมีเงินอยู่แค่ห้าบาทถ้าจะช่วยซื้อได้เซี่ยวเดียวแกบอกเอาไว้ทั้งใบก็แล้วกันแกก็ยัดเยียดให้ฉันจนได้ฉันก็เลยต้องเป็นหนี้แกอีกห้าบาทปกติฉันไม่ค่อยเล่นหวยนะหลวงนะไม่เคยซื้อแกเลย เพราะว่าหลวงน้าเคยสอนว่ามันเป็นการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่วันนั้นยายซิ้มแกมายัดเยียดฉันก็สงสารก็เลยซื้อไว้โดยไม่คิดไม่ได้หวังอะไรและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันถูกยายซิ้มแกเป็นคนมาบอกพี่จ่อยเขาก็เลยเอาไปซื้อรถโดยสารมาขับรับคนเขาเคยรับจ้างขับรถอยู่กับเท่าแก่ทีนี้ก็เลยมีรถของเราเอง เรื่องมันประหลาดมากจะไม่แจ้งลงนะหลันพูดประโยคเดิมอีกเออมันก็ประหลาดเหมือนกันแต่ก็ไม่มากเหมือนเรื่องกฎแห่งกรรมนั่ น, นแหละแล้วสองผัวเมียที่ขายกาแฟเป็นยังไงบ้างละ่ะท่านถามด้วยต้องการตรวจสอบทฤษฎีของท่านก็แปลกอีกนั่นแหละลงนะ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาขายไม่ดีแถมทะเลาะบาะแว้งกันทุกวันในที่สุดก็เลิกกันผัวไปทางเมียไปทาง ภรยาในจ่อยเล่านั่นไงตรงกับทฤษฎีของข้าทุกประการเห็นไหมนี่กรรมสองผัวเมียได้รับกรรมทันตาเห็นเขาทอาอกุศลกรรมก็เลยต้องมีอันเป็นไปทําครบสามกายวาจาใจกายก็คือเอาน้ําร้อนไปลาดเขาวาจาก็ไปด่าเขาใจก็โหดร้ายต่อเขาส่วนเองก็ครบสาเหมือนกันแต่เป็นกุศลกรรมเองก็เลยถูกรัตตลี แต่ถ้าจะดูให้รึกซึ้งลงไปกว่านั้นข้าก็เห็นว่าเพราะเองทําบุญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเองใส่บาตรทุกวันถึงขี้หมูกจะย้อยลงไปในบาตรแต่ก็เชื่อว่าเองได้บุญท่านพูดถึงอดีตของหลานสะพ้ยเอาอีกแล้วหลวงหนะ้าเอาเรื่องขี้หมูกฉันมาประจานอีกแล้วเมื่อไหร่จะลืมลืมเสตีก็ไม่รู้หล่อนบนุญเทนาเพราะข้าตายข้าก็ลืมเองแหละท่านพระครูว่า นั้นฉันคงถูกลงหน้าประจานไปอีกหลายสิบปีเพลเพลฉันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงยังไงเองก็ไม่มีวันจะตายก่อนค่ะเองเกิดที่หลังต้องตายที่หลังสิมันไม่แน่เสมอไปหลอกหลงหน้ามีออกสมเทไปที่พ่อแม่ไปงานเผาศพลูกหล่อนว่าท่านพระครูเห็นสมควรแก่เวลาก็บอกความลับเรื่องการมรณาภาพของท่านให้ผู้เป็นหลานสาวทราบ ก็จึงออกอุบายว่าคุณทองเอ็งขึ้นมานานแล้วลงไปดูโยมเขาซิเพื่อขาดเหลืออะไรจะได้หามาให้เขาในคุณทองกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปล้านชายออกไปแล้วท่านจึงพูดกับในจ่อยและภรรยาว่าข้ามีความลับจะบอกเอ็งสองคนแต่ยังไม่อยากให้เจ้าขุนทองมันรู้เดี๋ยวจะไปบอกคนอื่นหมดวัดยิ่งปากสว่างอยู่ด้วยลหลวงน้ามีอะไรจะบอกผมกับจุกหรอครับ มีสิฟังให้ดีนะเองสองคนไม่ค่อยจะมาให้ข้าเห็นหน้าเห็นตายิ่งมีรถใหม่ก็ยิ่งไม่มีเวลามาข้อนั้นข้าไม่ว่ารอกเพราะว่าเองต้องทำมาหากินแต่จังไว้นะวันที่สิบสี่ตุลาคม2 5ง1้ายอ็ดให้มาหาข้าหน่อยมาตอนไหนครับเช้าหรือบ่ายถ้าอยากเห็นข้าตอนเป็นก็มาแต่เชา้าแต่ถ้าอยากเห็นข้าตอนตายก็มาตอนบ่ายก็ได้ หมายความว่าอย่างไรเจ้าหลวงนานางจุกถามก็หมายความว่าวันที่สิบสี่ตุลาคมสองพหยิเอ็ดข้าจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักเวลาเที่ยงยี่สิบห้าจริงเหรือครับในใจถามจริงหรือไม่จริงพอถึงวันนั้นเองอย่าลืมมาก็แล้วกันเจ้อาอวาดวัดป่ามะม่วงตอบด้วยสีหน้าปกติแต่ผมว่าหลวงน้าต้องไม่ตายเอ้ยไม่มรณะภาพครับผมมั่นใจว่าหลวงพ่อ จะต้องไม่เป็นเช่นนั้นพระบวเฮียวขัดขึ้นด้วยความรู้สึกแสนรันทดแสนเสียดายผู้มีเมตตาธรรมสูงเช่นนี้จะหาที่ไหนอีกมันเป็นกฎแห่งกรรมนะบวเหียวใครเลยจะฝืนได้แต่ผมไม่อยากให้หลวงพ่อมอรณะภาพนี้ครับพระหนุ่มแยง้งจะอยากหรือไม่อยากฉันก็ต้องตายเอาเถอะและ้วค่อยดูกันไปว่าจริงอย่างที่เขาเตือนมาหรือเปล่าเขานักใครครับในอยถาม เจ้ากรรมนเวนะสิเอาละเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วขอให้เอ็งจาไว้อย่างเดียวว่าข้าจะต้องตายในวันนั้นนางจุกร้องไห้กระสิบ ก, กระสิบข้างฝ่ายในจ่อยก็ทําตาแดงกล่ำท่านเจ้าของกุฏิจึงว่าเอ็งสองคนไม่ต้องมาแสดงความโศกเศร้าล่วงหน้าไว้ก่อนรอกอีกตั้งสี่ปีข้าถึงจะตายลุงน้าไม่ตายไม่ได้หรือจ๊ะนางจุกอ้อนวอนฟังเมียเอ็งพูดนะเจ้าจอย ฟังเอาไว้ท่านบอกหลานชายครับผมกาลังฟังอยู่แล้วก็อยากจะพูดแบบเดียวกับเขาลวงนาไม่ตายไม่ได้หรอครับเองสองคนเนี่ยพอกันเลยไอคิวพอกันอย่างนี้นี่เองถึงได้อยู่กันได้ไอคิวคืออะไรครับหลุงนาหลานชายถามคือภูมิปัญญาเองกับเมียเองเน่ยมีภูมิปัญญาเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านพระครูอธิบายแกมประชด แล้วดีไหมครับนายจอยถามอีกดีแต่ดีสำหรับเองนะ่ะไม่ใช่สำหรับค่างั้นก็ดีไม่จริงนะสิครับหลวงนาเพราะว่าถ้าใดจริงก็ต้องดีสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึง่งนายจอยพูดเหมือนนักปรัชญาทั้งที่ไม่เคยเรียนปรัชญาคิดเอาเองท่านเจ้าของกุฏิตอบด้วยครรนที่จะต่อนัดต่อแนงด้วยผมคงไม่คิดแล้วล่ะครับ ฉันปวดหัวแล้วแต่ว่าหลวงนาจะลงไปเจิมรถให้ผมได้ไหมครับเขาพูดทุลักอย่าเลยครับพี่จ่อยหลวงพ่อท่านตั้งใจว่าจะไม่ลงไปไหนจนกว่าขาท่านจะหายเป็นปกติหลวงพ่อเศษแต้งแล้วให้หลวงพี่เป็นคนไปเจิมก็ได้นี่ครับสิทธวัดแนะนําด้วยความเป็นห่วงท่านพระครูดีเหมือนกันเพราะว่าสองย่อมดีกว่าหนึ่งหลวงพ่อก็ครัง้งหลวงพี่ก็ครัง้ง ก็เป็นขลังกำลังสองในใจว่าถ้าเองอยากจะให้ขลังกำลังสามเองก็ต้องอยู่ในศีลธรรมหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตแล้วก็หมั่นปฏิบัติกรรมฐานจะอาวาดวัดป่ามะม่วงอบรมลูกชายของพี่สาว คนเป็นหลานรับคำนายสมชายจัดการวัสดุอุปกรณ์มาให้มีขันจอกทําด้วยทองเหลืองดินสอพองและกาน้ามันจันทร์่ันพระครูหยิบดินสอพองใส่ลงในขันจอกใช้นิ้วบดจนเป็นผงแล้วก็เทน้ำมันจันร์ลงไปผสมเสร็จแล้วจิ้งเสกด้วยคาถามหานิยมเอาละ่ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคาถาจะสักสิทธิ์หรือไม่ศักสิทธิ์ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ใช้ อันที่จริงข้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องเสกเรื่องเปล่านักหรอกแต่ในเมื่อเอ็นมาขอให้ทําก็ไม่อยากจะขัดใจเพราะอะไรอะไรก็สู้กรรมาฐานไม่ได้เอาละ่ะพระบัวเหียวช่วยไปเจอเมื่อค่หน่อยนายจอยถือขันจอกบรรจุปแป้งเสกลงบันไดไปตามไปด้วยพระบัวเหียวและนางจุกครูใหญ่ๆหภิกษุรูปหนึ่งกับคารวะสองคนก็ขึ้นมานายขุนทองถือโอกาสตามขึ้นมาด้วยเจ็ตุรัแล้ว ผมเห็นจะต้องลากรัดในจ่อยเอ่ยอดใจหายไม่ได้เมื่อคิดไปว่าอีกสี่ปีเขาจะไม่มีหลวงนาอีกแล้วลหลวงน้าจ้ะฉันมีของมาถวายจะ่ะนางจุกพูดพร้อมกับหยิมถุงกระดาษสีน้ำตาลส่งให้สามีพี่จ่อยช่วยประเคนแทนฉันด้วยในจ่อยจึงประเคนสิ่งนั้นให้ท่านพระครูอะไรของเองละ่ะหลวงนาเปิดดูเองก็แล้วกันหล่อนว่า นายสมชายกับนายขุนทองจ้องขมิงขณะที่ท่านเจ้าของกุฏิหยิบสิ่งนั้นออกมาจากถุงเป็นรองเท้ารองเท้าหนังสิน้ำตารหนึ่งคู่เอ็งถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งห้าแสนซื้อรองเท้าแตะมาให้ข้าคู่เดียวเอ็งรืจุบกันสับพยอกหลานสะพยด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในความประณีถีเหนียวของหล่อนคู่เดียวก็ตั้งแปดสิบาทหน้าหลวงนา้าแพงกว่าของฉันตั้งสิเท่า ฉันใส่คู่ละแปดบาทเองคนขี้เหนียวว่าของผมคู่ละแปดบาทเหมือนกันครับหลวงนานม่จ่อยเข้าข้างภรรยาเอาเธอเอาเธอข้าไม่ว่าอะไรจะกลับก็กลับกลับได้แล้วข้าจะได้พักผ่อนสองสามีภรรยาจึงกราบท่านสามครั้งแล้วก็ลุกออกมานายสมชายกับนายขุนทองรู้สึกผิดหวังจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกออกไปส่งเอาสิ เอาไปแบ่งกันคนละครึ่งท่านพระครูพูดพลางก็ส่งถุงกระดาษส่น้ำตาให้ในสมชายโทษหลวงพ่อใครเขาจะใส่รองเท้าข้างเดียวสิทวัดว่าหนูก็ไม่เอามันรองเท้าสําหรับผู้ชายหนูอยากได้รองเท้าส้นสูงนายขนทองว่างั้นก็ถวายพระโวเฮียวก็แล้วกันท่านพระครูตัดสินอย่าเลยครับหลวงพ่อโยมจุกเข้าตั้งใจถวายหลวงพ่อพระโวเฮียวปฏิเสธ ก็ในเมื่อเขาให้ฉันเป็นของฉันแล้วฉันจะให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของฉันใช่ไหมละ่ะใช่ครับนั้นฉันให้เธอรองเท้าฉันยังดีอยู่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ของใหม่ผู้พูดถือสันโดษแต่ครู่นี้แต่คู่นี้ราคาตั้งแปดสินะครับคู่ของหลวงพ่อแค่สามสิบเท่านั้นนายสมชายแยง้งที่จำได้เพราะเขาเป็นคนไปซื้อก็เพราะมันแพงนะสิ และฉันก็คิดว่าของแพงคงจะเป็นของดีเมื่อจะให้อะไรใครก็ต้องให้แต่ของดีดีดังนั้นฉันจึงให้เธอไงลาโบเหียวประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุหนมแล้วคนให้เขาจะได้บุญหระอครับเขาตั้งใจให้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อกลับมาให้ผมพระโบเฮียวพูดเพราะจิตใจของท่านไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะได้สิได้สองต่อเลยละสมมุติว่าเขาให้ฉัน เขาก็ได้บุญห้าสิบฉันเอาให้เธอฉันก็ได้บุญห้าสิบคนให้คนแรกก็ได้บุญสองต่อเขาได้บุญร้อยนะฉันได้ห้าสิบเขาได้ร้อยถ้างั้นผมเอาไปถวายพระมหาบุญผมก็ได้บุญอีกห้าสิบหลวงพ่อก็ได้ร้อยโยมจุกก็ได้ร้0ยห้าสิบใช่ไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันว่าเธอเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าอีกสี่ปีฉันไม่ได้อยู่ให้เธอเห็นหน้าอีกแล้ว เวลาเธอใส่รองเท้าจะได้คิดถึงฉันยังไงครับถ้าเช่นนั้นผมจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดอีกสี่ปีค่อยเอาออกมาใช้พิสุวัยยี่สิบหกตอบแล้วก็กราบลาเพื่อกลับไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างกุติของท่าน วันที่สามสิบมีนาคมท่านพระครูลงรับแขกเป็นครั้งแรกหลังจากที่หยุดไปหนึ่งเดือนเต็มผู้คนมารอกันแน่นกุฏิเช่นเคยเพราะว่าเป็นวันเสาร์จ้าทุกรกลายหนึ่งเป็นสุภาพสตรีวัยสามสิบผิวขาวหน้าตาแม่จะดูเศร้าโศกหาก็แฝงเอาไว้ซึ่งความงดงามชนิดที่หาที่ติไม่ได้หล่อนเข้าไปกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเอ่ยทั้งน้าตาว่าหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วย โยมจะให้อัตมาช่วยอะไรก็ว่ามาเลยท่านพูดอย่างปราณีคลั้นเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวที่แขนทั้งสองก็จึงถามนั่นไปโดนอะไรมาถึงได้เนื้อตัวเขียวปัดออกอย่างนั้นหล่อนก็ร้องไห้หนักขึ้นและก็ตอบว่าสามีตีคะ่ะทำไมต้องตีด้วยละ่ะโยมไปทาอะไรให้เขาโกรธเขาจึงได้ตีเอาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะทุบตีกันแบบนี้จะโกรธจะเคืองยังไงก็น่าจะพูดกันได้ อาตมาไม่ชอบทำอย่างนี้เลยและท่านจึงพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าพ่อคุณพ่อบ้านทั้งหลายอาตมาอยากจะขอร้องนะอย่าได้รังแกแม่บ้านเขาอย่างนี้เลยมีอย่างที่ไหนมาทุบตีกันอย่างก็เข้าเป็นวัวเป็นควายแบบนี้ไม่ใช่วิสัยของสุภาพบุรุษมนุษย์เพศชายที่นั่งอยู่ณที่นั้นต่างพากันสงสารหญิงสาวที่นั่งร้องไห้อยู่เบื้องหน้าท่านพระครูหนุ่มหนึง่ง นึกในใจว่าถ้าเมียข้าสวยอย่างนี้จ้างก็ไม่ตีให้งโง่แต่ที่ต้องตีเพราะมันไม่สวยจะสวยหรือไม่สวยก็ห้ามตีเด็ดขาดไม่ใช่ว่าต้องสวยถึงจะไม่ตีท่านเจ้าของกุฏิพูดพร้อมกับสบตาคนแอบนึกเจ้าหนุ่มจึงนึกต่ออีกว่าโอ้โหหลวงพ่อนี่ชั้นหนึ่งเลยขนาดเราอุตส่าห์พูดในใจยังได้ยินเสอีกนะ่ จะพูดในใจหรือนอกใจอาตมาก็ได้ยินทั้งนั้นถ้าอยากจะได้ยินแต่ถ้าไม่อยากก็แล้วไปพระอรหันต์หนุ่มนั้นสรุปในใจอาตมาไม่เป็นพระอรหันต์อย่างเก่งก็ได้แค่พระอรเหเพราะใครมีทุกข์ก็จะเห่ไปช่วยเขาผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นชัดจะงุนงงและรู้สึกว่าท่านพูดอยู่คนเดียวแถมเรื่องที่พูดก็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 เขาทางานอะไรล่ะเป็นทหารค่ะทหารยศร้อยเอกอยู่ค่ายในจังหวัดลบบุรีนี่เองค่ะเวลาจะไปทำงานเขาก็ใส่กุญแจขังหนูไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเกิดฟืนไฟไมหม้บ้านหนูคงถูกแย่งสดตายอยู่ในนั้นโอ้โหหึงมากขนาดนั้นเชียวรึกแล้วมีลูกกี่คนล่ะมีลูกเด็กกันหรือเปล่ามีค่ะมีลูกชายสองลูกสาวสองข้าโรงเรียนไปหมดแล้ว ขนาดมีลูกสี่คนยังหึงหรือค่ะหนูถึงไม่อยากจะทนต่อไปหลวงพ่อคิดดูสิคะอยู่กันมาตั้งสิบปีเขายังขังหนูไว้ในบ้านตลอดหญิงสาวเล่าและท่านเจ้าของพุติก็รู้ว่าหล่อนไม่ได้พูดเกินความจริงผมว่าแบบนี้ผิดปกติแล้วนะครับหลวงพ่อสงสัยจะเป็นโรคจิตหน่มที่อ้างในใจเพราะเมียมไม่สวยถึงตีเอ่อยขึ้น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 จะเลิกกันยังไงล่ะโยมลูกเต่าก็มีด้วยกันตั้งสี่คนอาตมาไม่ชอบให้ผัวเมียเลิกร้างกันเพราะมันเป็นปัญหากับลูกในภายหลังจะให้ช่วยแบบนั้นอาตมาช่วยไม่ได้แน่นอนเพราะอาตมากลัวบาปและท่านจึงพูดกับผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจาเอาไว้การยุแย่ผัวเมียให้เลิกกันมันบาปมากใครคิดจะทาก็ให้ล้มเลิกความคิดนั้นเสีย และใครที่เคยทํามาแล้วก็อย่าได้ทําอีกไม่งั้นบาป ก, กรรมจะตามมาถึงตัวขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งท่านจงใจเทพสตรีสามคนที่นั่งรอคิวอยู่กดแห่งกรรมของคนทั้งสามฟ้องว่าพวกหล่อนมีความสามารถในการยุกแยงแตะแ่งแส้ให้ผัวเมียเขาเลิกกันและก็ทําจนประสบความสําเร็จมาหลายคู่แล้วคนประเภทนี้จะรู้เรื่องของคนอื่นไปหมดทุกเรื่อง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 ตกลงโยมถ้าช่วยแบบนี้ไม่บาปเอาละอาตมาจะแนะวิธีการให้คุณทองไปช่วยหยิบแผ่นปลิวบทสวดมนต์มาให้โยมเข้าแผ่นหนึ่งท่านสั่งหลานชายแล้วก็พูดกับสตรีนั้นว่าโยมสวดมนตนะ์น่ะสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานขอให้เขาเลิกตีวันไหนเขาทำท่าจะตีก็หนีขึ้นห้องพระเลยไปนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องนั้นแหละรับรองว่าไม่กล้าตีคนกาลังสวดมนต์หรอก แต่ถ้าเขาตีล่ะคะหล่อนถามอย่างหวั่นหวาดให้มาตีอาตมาแทนบอกเขาเลยว่าถ้าจะตีคนที่กำลังสวดมนต์ให้ไปตีหลวงพ่อที่วัดป่ามะม่วงโนนคราวนี้หล่อนยิ้มทั้งน้ำตาคนอื่นๆก็พรอยยิ้มไปด้วยถ้าเกิดเขามาตีหลวงพ่อจริงๆหนูก็บาปแย่น่ะสิคะหล่อนว่าเขาไม่ตีหรอกหนูแหมอย่าไปดูถูกสามีถึงขนาดนั้นสิอาตมาดูแล้วเขาก็เป็นคนดีพอสมควร ถ้าดีแล้วทําไมต้องตีเมียด้วยสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นก็เขาหึงทําไมต้องหึงโยมรู้ไหมท่านถามสตรีผู้นั้นไม่ทราบค่ะไม่ทราบหรือคะถ้างั้นอาตมาจะตอบให้ที่เขาหึงก็เพราะเขาห่วงและทําไมเขาห่วงโยมตอบซิไม่ทราบค่ะหล่อนยืนยันคําตอบเดิมท่านพระครูจจงเฉลยว่าเพราะเขาตกห่วงรัก แล้วพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษว่าโยมผู้ชายอย่าไปทำอย่างนี้นะอย่าไปตกห่วงรักถึงขนาดทุบตีแม่บ้านเขานะเกิดเขาหนีไปแล้วใครจะหุงข้าวให้เรากินเราต้องเอาใจเขาไว้มากๆเขาจะได้อยู่กับเรานานๆหลวงพ่อครับแต่ที่บ้านผมแม่บ้านเขาไม่ได้หุงข้าวให้ผมกินหรอกครับผมเป็นฝ่ายหุงให้เขากินครับหุงมาตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆจนเดี๋ยวนี้ลูกสามแล้ว บุรุษร่างท้วมพูดจาฉาดฉานที่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะเป็นคนที่เมียไม่ได้มาหากว่าหล่อนมาด้วยแล้วไซใครเลยจะกล้าพูดนี่ก็จะมานิมนท่านไปงานทําบุญวันเกิดเมียก็ดีแล้วนี่แสดงว่าโยมเป็นสามีที่ประเสริฐมากใครมีพ่อบ้านแบบนี้สบายไปเจ็ดชาติเลยท่านเจ้าของกุฏิชมแต่ผมว่าไม่ดีนะครับหลวงพ่อผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือน ไม่ใช่ให้สามีมาทำให้กินผมยอมไม่ได้เด็ดขาดพ่อบ้านผู้หนึ่งแสดงความเห็นที่โยมว่ามานั่นมันก็ถูกแต่ถูกสำหรับคนรุ่นเก่าที่ผู้ชายเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนเป็นแม่บ้านแต่สมัยนี้ผู้หญิงก็ต้องออกทำงานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชายฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ชายจะมาทางานบ้านแทนผู้หญิงเขาบ้างโยมเห็นด้วยไหม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 ก็เลยต้องแกร้งใช้ให้ทำงานยังกับทาตเขาตั้งใจพูดแตกดันผู้ชายคนนั้นคุณว่าใครพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงบุรุษนั้นมีโทสะท่าทางเขาบอกชัดว่าพร้อมจะเอาเรื่อง ผมก็ว่าคนที่เป็นอย่างที่ผมว่าคุณมาเดือดร้อนอะไรด้วยเหรอหรือว่าคุณเป็นอย่างที่ผมว่าอีกฝ่ายตั้งใจยั่วโทสะบุรุษนั้นสุดจะทนทานเขาผลุดลุกขึ้นยืนท่ามกลางความตรลกตกใจของคนทั้งกุฏิพูดอย่างนี้มันต้องสั่งสอนกันหน่อยละ่ะคนพูดถลกแขนเสื้อขึ้นขอโทษนะครับผมขอร้องว่าอย่ามีเรื่องมีราวในวัดในวาเลยนะครับอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นแกหลวงพ่อท่าน อาจารย์ชิดเอ่ยห้ามบุรุษเจ้าโทสะจึงนั่งลงแต่ยังแสดงอาการฮึดฮัดยังไม่พึงพอใจเห็นอีกฝ่ายเอาจริงคนไม่ชอบเอาเปรียบเมียจึงต้องนิ่งเขินมีเรื่องมีราวกันรังแต่จะนำความเดือดร้อนใจมาให้คนเป็นเมียหลวงพ่อเจ้าคะทำบุญแทนกันได้ไหมเจ้าคะสตรีวัยกลางคนถามทำแทนกันแบบไหนลโยมคือแบบนี้เจ้าคะ พ่อเด็กเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอิฉันก็เตือนเขาเขาก็ไม่เชื่ออิฉันก็ขอร้องเขาว่ายังไงไงก็หยุดฆ่าวันพระสักวันก็ยังดีพอถึงวันพระอิฉันก็บอกเขาเขาก็ถามว่าวันนี้วันพระกี่ค่ําอิฉันบอกว่าห้าค่าเขาก็ว่าดีแล้ววันนี้ข้าจะต้องฆ่ามันให้ได้อีกสิบห้าตัวพูดจบเขาก็ไปตลาดไปซื้อปลาหมอเป็นๆมาสิบห้าตัว มาฆ่าต่อหน้าต่อตา อ, อ, อีฉันและโยมทํำยังไงละ่ะอีฉั้นก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเจ้าค่ะก็ได้แต่สงสารเขาเวลาอีฉั้นทําบุญใส่บาตรอีชั้นก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาอธิษฐานว่าบุญทั้งหมดที่อีชั้นทําอีชันขอยกให้สามีขออย่าให้เขาต้องตกนรกเลยแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะอีฉั้นทําบุญแทนเขาแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะอย่างอื่น เขาดีหมดเสียอยู่เรื่องเดียวนี่ละเจ้าค่ะทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกโยมบุญนั้นก็คือกุศลกรรมใครทำใครได้การจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ตัวเองต้องทำเองคนอื่นจะมาทำแทนไม่ได้ใครทำดีก็ย่อมได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วและอีฉันจะช่วยเขายังไงเจ้าคะเขาถึงจะไม่บาปเรื่องแบบนี้มันพูดยากนะโยมเรื่องบุญเรื่องบาปใครทาใครได้ อย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเราๆจะทำแทนกันไม่ได้เลยแม้พระอรหันต์ท่านก็ยังทำแทนคนอื่นไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์มีพระโอรสธิดาเป็นพระอรหันต์คือพระมหินกับนางภิกษุณีสังขมิตตาแต่พระองค์ก็ยังไปเกิดเป็นงูเหลือมพระองค์เองก็ทำบุญไว้กับพระพุทธศาสนามากแต่ทำไมถึงไปเกิดเป็นงูเหลือมโยมรู้ไหม ไม่ทราบเจ้าค่ะเพราะโทศักตอนจัสวรรคตโก ร, รธราชทายาทก็คือตอนที่พระองค์ประชวนได้สั่งให้อมาร์ตนาพระราชทรัพย์มาบริจาคให้คนยากจนราชทายาทก็ห้ามไม่ให้อมาร์ตทาบอกว่าพระองค์ทําบุญมาจนพระราชทรัพย์จะหมดพระคลังอยู่แล้วอย่าทําอีกเลยพระองค์ก็ส่งพระพิโรธคือโก ร, รธราชทายาทกระทั่งสิ้นพระชน์ เมื่อดับจิตในขณะที่จิตเป็นอกุศลก็เลยไปเกิดทุคติคือเกิดในกําเนิดเดรจานไปเป็นงูเหลือมวันหนึง่งพระมหินซึ่งตอนนั้นสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็อยากจะทราบว่าพระราชบิดาสวรรคตแย้วไปเกิดที่ไหนก็ใช้ยานตรวจสอบดูจึงได้ทรงทราบว่าพระบิดาไปเกิดเป็นงูเหลือมนี่เห็นไหมอาบายณนะไปง่ายเหลือเกิน เผลสติกนิดเดียวไปเกิดเป็นสัตว์เดรจานซะแล้วแล้วโยมรู้หรือเปล่าว่าไปเกิดเป็นเดรจานไม่ดียังไงไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบอีกแล้วแม้คนที่มาวัดนี้ตอบเป็นอยู่อย่างเดียวไม่ทราบเจ้าค่ะท่านเรียนเสียงสุภาพสปรีผู้นั้นก็อีฉันไม่ทราบจริงจริงนี่เจ้าค่ะนางว่าเออไม่ทราบจริงๆหรือเจ้าค่ะอัตมานึกว่าแกร่งไม่ทราบใช่อีกท่านพูดยิ้มยิ้ม คนอื่นก็พลอยยิ้มไปด้วยเป็นเดรัจฉานไม่ดีตรงไหนหมดโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลนาโยมนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ประกอบอากุศลกรรมได้ง่ายอีกด้วยเพราะตัวโมหะมันครอบงำอย่างงูเหลือมตัวที่เคยเป็นพระเจ้าอาโศกนั่นนะ่ะตอนที่พระมหินท่านเร่งยานไปทอดพระเนตรโยมรู้ไหมว่ากำลังทาอะไรอยู่ไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบอีกแล้วถ้ายางนั้น มีอะไรที่โยมทราบบ้างนะไหนบอกอาตมามาซิว่าโยมทราบอะไรบ้างเจ้าคะทราบว่าหลวงพ่อใจดีเจ้าคะ่ะมาวัดนี้แล้วสบายใจแล้วอาหารก็อร่อยแถมหลวงพ่อไม่เคยบอกบุญเรี่ยรายเงินอีกด้วยใครมีศรัทธาก็ทำก็ทาใครไม่ทำหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่เหมือนบางวัดที่พอไปถึงยังไม่ทันจะนั่งสมภารท่านก็แจกใบเดก้าเสแล้ว คราวนี้คนไม่ทราบสาธยายจะยืดยาวโอ้โหทราบเยอะเหมือนกันนี่แม้อัตมานึกว่าไม่ทราบอะไรท่านสัพพยอกสตรีนั้นก็ยิ้มเบิกบานกับคำชม